أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا كوة إلا بالله العليل ا عظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ض ي د ولك الحمد ب ع د, ول د, د الرضا الر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا ورسوله أ ر س ل الله بالهلا ب د ي ن الحق لجذهره على الدين كله ولو كله الكافرون أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قرأت على في كتاب الكريم بعد ود ب ا ل م ش ط ا ن ا ل ر س م ل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل ا ل ع ش ر و ا ل ش ف ع والبدر والليل إذا يسهل في ذلك قسم لذيذ ألم تركه ففعل ر ب ك ب ع ا د يرم ذات العمد ا التي لم يخلق مثلها في البلاد ว่าโมเ่นั่งบนสัวัดวิรวัดที่นั่งก้านบิาร์ฟักต่อรูในทน่ารังเกียจอัลมาุพบุรุษและสุพส่มีคามากับกาพูดคุยกันต่อในช่วงของอธิบายอัลกุรอานในยุทธมะซึ่งเรายังคงพูดคุยกันในส่วนของสระวันฟัหรือว่ายามรุ่งอรุณนั่นเองครับผมในส่วนนี้ครับลุมาตาได้รงสาบานต่อสิ่ง ต่างๆที่โปรโลซุบานุราณ์นั้นได้สร้างมาเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ในทุกๆสิ่งที่โปรดริสุงสาบานอาไว้แล้วโปรโลก็ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาความปูดปานให้ความยิ่งใหญ่ให้อำนาจให้ความสามารถที่แทบจะหาใครเปรียบเทียบไม่ได้เลยจนถึงยุค ป, ปัจจุบัน แล้วพวกลอสก็ได้บอกว่าธรรมชาติของกลุ่มชนที่ฝา่าฝืนเหล่านั้นเขาทำอย่างไรกับความดีงามที่อราเล่าให้แล้วอะไรคือสิ่งที่เขาต้องได้รับอะไรคือราคาที่เขาต้องแลกกับมันไปเราได้พูดคุยถึงกลุ่มอาร์ททั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มอาร์ทแรกกับกลุ่มอาร์ทสองอาร์ทสองก็คือชาวสมุทรนั่นเองตอนนี้ครับในยักุรานเนี่ยอายะที่สิพลอสุบฮ า, รร า, านรก่าครับรเรฟรอนะดิลอดดอัลลีนตะกอฟิลบลา โพลล์หลังจากที่ได้บอกเขาว่าเจ้าไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าโพลล์นั้นได้จัดการอย่างไรบ้างกับพวกกลุ่มชนของอาร์ฟแล้วก็กลุ่มชนของสมุดเช่นเดียวกันกับเฟรอาล์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขึงผือดหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นยอดที่สูงชันุดคําว่าเฟรเอาล์ในที่นี้ครับก็ขออธิบายให้กับพี่น้องก่อนนะครับเพราะว่าบางทีบ้านเราบางท่านยังยังเข้าใจพลาดนิดหนึ่ง เฟรดเอาเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนนะครับผมเฟรดเอาไม่ใช่ชื่อคนแต่เป็นตำแหน่งผู้ปกครองอียิปต์ในอดีตที่บ้านเราเรียกว่าฟาโรนี่แหละครับคือพอใช้ว่าฟาโรเรารู้ใช่ไหมครับว่าคําว่าฟาโรเนี่ยไม่ใช่ชื่อคือฟาโรเนี่ยมีหลายคนฟาโรเนี่ยมีหลายคนมีหลายรุ่นรุ่นสืบทอดมาทุกคนจะใช้ชื่อฟาโรถ้าเป็นผู้ปกครองอียิปต์ยุคอดีตจะใช้ชื่อฟาโรเพราะงั้นเวลาพี่เราเจอคําว่าเฟรดเอา เฟรเอา ห, หนูนะครับในอัลกุรอานก็ขอให้รู้ว่าพวกเราเราลังพูดถึงฟาโรห์แต่จะเป็นคนไหนเราต้องดูบริบทอีกทีจะเป็นฟาโรห์ในยุคสมัยกรบีมูซาซึ่งในยุคสมัยดีมูซาจะมีฟาโรห์หนึ่งคนหรือมี2คนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่ามีการพูดคุยมีการถกเถียงอยู่ในหมู่นักวิกวชาการซึ่งเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักวิชาการพิจิตรไปแต่เมื่อเราเรียินคำว่าเฟารอูนหรือได้ยินคำว่าฟาโรห์ครับผมคิดว่าในหัวของพวกเราหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคิดภาพคล้ายๆกัน ก็ปเป็นภาพของผู้ปกครองที่ว่ามีการใส่มงกุฎที่ว่าปิดลงมาถึงแก้มอะไรประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเปื้อนท่อนบนอะไรก็ตามแต่ก็หลักๆครับพิรุณเหมือนกันเหมือนกันตรงที่อ้างว่าตนเองนั้นเป็นสมมุติเทพเป็นสมมุติเทพก็คือเป็นเทพที่ลงมาอยู่ในกายเนื้อของมนุษย์ทําไมถึงต้องอ้างว่าตัวเองเป็นเทพครับทาไมว่าไม่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเลย พรมันต้องมีคําถามครับถ้าคุณเป็นพระเจ้าทํำไมคุณต้องกินต้องดื่มทาไมต้องหลักต้องนอนทําไมต้องไม่สบายเขาก็บอกว่าไม่ใช่พระเจ้าตรงๆไงเป็นสมมุติเทพก็คือการไหว้ใช่แล้วกันการไหว้ให้เหมือนกับฉันนั้นเป็นพระเจ้าก็คือยกตัวเองอยู่ในตําแหน่งเดียวกับพระเจ้าซึ่งถามว่าชนชั้นปุกปกครองระดับปาโรเนี่ยครับชี้เป็นชี้ตายให้ใครก็ได้มีอานาจเยอะแยะครับ ได้รับความโปรดปรานจออกากอรรถมากมายนี่คือสิ่งที่เราบอกกันว่าในยุนยาเนี่ยอรรถแมนเนี่ยคือผู้ที่เมตตาเท่ความเมตตาให้กับทุกคนคนรับจะคู่ควรหรือไม่คู่ควรพวกล็อกก็เมตตาพวกล็อกก็เป็นผู้ให้ยศศีแกเขาฟาโรทุกนับมาเลยครับทุกคนที่เป็นฟาโรเนี่ยได้รับความโปรดปรานเยอะหมดแล้วก็จะเหมือนเหมือนกันก็สั่งใช้ให้คนอื่นมา ก, กับไหวตนเองซึ่งเราเรียกว่าเป็นตองูถูกไหมครับตองูคือ บุคคที่มีความสุขพอใจกับการที่ผู้อื่นมากับไหวตนเองเราเรียกว่าเป็นต่อหู่ทีนี้ครับพี่น้องเพิเราได้พูดถึงเฟรอร์อูซึ่งนักวิชาการในเนื้อนะาที่บายคุร่านเนี่ยก็มีความเห็นต่างกันว่าเฟรอร์อในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงฟาโรค่คนไหนฟาโร่ในยุคไหนหรือว่าพูดถึงฟาโร่แบบครอบคลุมเลยเพราะว่าฟาโร่ทุกคนอย่างที่ว่ามาคือเหมือนกัน อันนี้ก็วาอลออลามครับพอะนื้อสืารบ้างเขาก็บอกว่าให้เป็นของในสมัยระบีมูซาแหละที่คุยกับฮามานที่บอกว่าอ้าหลังจากที่คุยกับรบีมูซาระบีมูซาบอกพวกวอลออลนั้นอยู่เหนือปักฟ้าไปผู้อืน ก, ก็บอกว่าไงครับอ่มามนะงั้นฮามานสร้างหอคอยสูงๆเลยเราจะได้ไปดูไปดูซิว่าจะเจอพระเจ้าของมูซาหรือเปล่านี่ก็เป็นความโง่เขลาของฟาโรห์แล้วก็กลุ่มชนของเขาที่คิดว่าตัวเองทาได้ทุกอย่าง ซึ่งคำว่า z ิลเอาต์นะครับคำว่าเอาต์แเนี่ยแปลได้หลายอย่างอย่างที่บอกนิชาการบางคนก็บอกว่าผู้เป็นเจ้าของของปีรามิดก็บอกว่าแปลว่าปิรามิดซึ่งวัาหลุอาลัมครับอีกทัศนะก็มองว่าหมายถึงเรืออูนเนี่ยเป็นจอมขึงผืดคือเวลาลงโทษเนี่ยเวลาเราพูดถึงการขึงการตรึง เราก็มักจะคิดถึงอาจจะเป็นอนาณาจักรโรมันหรือว่าอาณาจักรอื่นแต่ความจริงครับอาณาจักรอียิปต์เนี่ยก็มีเรื่องของการตึงจนตายมามากนานแล้วนะครับผมแล้วก็มีการดึงแขนขาให้ขาดเนี่ยหรือว่าเอาสดไปประจานด้วยการแขวนไว้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณแล้วมีมานานแล้วการทําร้ายมนุษย์ด้วยกับรูปแบบที่โหดเหีเ้ยมแบบนี้นะครับมีมานานแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราดูถึงความ ชั่วร้ายของแต่ละกลุ่มนะครับทั้งอาร์ตทั้งสมุทเนี่ยก็มีความชั่วร้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่เฟรโรนี่ความชั่วร้ายที่โดดเด่นข้ามสเต็ปขึ้นไปอีกก็คืออาร์ตกับสมูทก็ยังรู้ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่ก็ยังรู้มีพระเจ้าอยู่แต่ฟาโรนี่คือมีพระเจ้าและข้าก็อยู่ในตัวหน่งเดียวกับพระเจ้าคือถึงแม้ถ้าตายปุ๊บก็กลับไปหาพระเจ้าที่ต้องมีการรักษาศพที่มีการทําเป็นมัมมี่ นั่นก็คือความดื้อดึงถึงขีดสุดซึ่งถ้าเกิดเรามาดูครับทั้งสามกลุ่มทั้งกลุ่มอารตทั้งกลุ่มสมูททั้งกลุ่มฟิราูทั้งตระกูลเลยนะครับสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับเขาได้ความสามารถเขาได้นวัตกรรมที่ไม่มีใครเหมือนในเรื่องของการสร้างปิระมิดจนถึงปัจจุบันก็เป็นการยากที่จะทำบนทะเลทรายที่จะให้แบกรับน้ำหนักของหินจนํานวนมหาศาน ถ้าใช้ทำก็ทำได้ครับแต่นวัตกรรมปัจจุบันก็หือขึ้นคอเหมือนกันนะก็ต้องลำบากก็ต้องสิ้นเปลืองงบ ป, ประมาณระดับสูงเยอะเลยแต่นี่คือฟารโรห์ทำตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับอรารยธรรมของสมูธมารินโซแลที่ว่าเป็นคันหาดหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในภูเขาทั้งหลายทั้งปูนแสดงถึง ความยิ่งใหญ่แสดงถึงความเปลี่ยงใจแสดงถึงอำนาจแสดงถึงพลังที่พวงล้อให้กับพวกเขาเหล่านี้แล้วถามว่าพวกเขาหายไปไหนครับโดนลงโทษโดนล้มล้างหมดแล้วถามว่าทําไมต้องโดนลงโทษครับเพราะเขาตอบกลับความเมตตาของพวงล้อด้วยความดื้อถึงแต่ละกลุ่มโดนอะไรบ้างเลยพี่น้องถ้าเราดูในสระฮากกอ น, นะครับฮากก็เป็นชื่อของวันเกียรมาฮากก็ที่มาจากฮักกุลที่ว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผม อัลฮากะมัลฮากะว่มาดรกัลฮากะทัศบัติสมูด์ะ عاد ุนบิล قار ีอะเพราราบอกไงครับอัลฮากะชื่อของเกี่ย ม, มัสมัลฮากะอะไรคืออัลฮาเละแล้วอะไรทําให้เจ้ารู้ว่ามันคือฮากะเพราะเราพูดให้เราได้คิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันคือสัจธรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพเพราะเราบอกไงครับสมูดเนี่ยได้ปฏิเสธเช่นเดียวกับอาร์ที่ได้ปฏิเสธ ทั้งคู่ปฏิเสธต่ออะไรบิลกอริแอกริแก็คือวันเกียามะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของวันเกียามะที่เรียกว่ากริแอคคือการที่ทำให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวในหัวใจเป็นวันที่ความกลัวเนี่ยจะเต็มล้นอยู่ในหัวใจเจ็ดสัปดามูรูวาอาดุมบิลกอริแอฟะอัมมะซามูรูฟะอือลิกูบิตตกีเราบอกใหครับในขณะที่กลุ่มชนซามูรเนี่ยถูกทำลายล้างด้วยกับอะไรด้วยกับเสียงกำปนาด เสียงที่ดังเกินกว่าที่มนุษย์จะทานทนได้เข้มแข็งแค่ไหนตายเรียบว่าอัมมาอาดุลฟาอูลิกูเบรียคินซอนซอลินอาร์ตยะในขณะที่อาร์ถูกทําลายด้วยกับอะไรครับลมที่ว่ามีแลมมีเสียงที่ดังเช่นเดียวกันพี่น้องเคยใช่ไหมเวลาเราไปตามหุบเขาหุบเหนียวบางทีเวลามีลมมาจะได้ยินเสียงลมครับพวกเราบอกว่านี่ซับซั โซลซอร์อาติยะเป็นลมที่ว่ามีเสียงที่ดังแล้วก็มีความรุนแรงเป็นลมที่มีความรุนแรงด้วยคือทั้งหมดแหลกเลวไปด้วยกับลมหายไปกับลมพี่น้องที่ดูเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่พวกเราสร้างมาที่มันแห้งกลางกับลมพัดกับอยูไปอันนี้กลุ่มชนที่มีอํานาจมากที่สุดหรือกขี้คิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดพวกเราก็ทําลายโดยใช้วิธีง่ายๆให้พัดไปเหมือนกับสิ่งที่ไร้ค่าแค่ลมมาก็จบไปน n a u ิ u b i l a m i n a สักรั้งให้ ع ل ي สบาลา็ดวนและสิบแปดวันจากพุสูมาในขณะที่คุมชาวอาเนี่ะคนเราบอกห้ครับอลรอให้เขาเจอลมที่มีเสียงใช่ไหมที่มันมาไปแค่วเวลาเจ็ดคืนกับแปดวันก็จารุเก้ามาฟีฮาสรอนนากาอันหุมอาเจสุนคลินคอวิยะซึ่งพอหลังจากที่ลมเราผ่านไปแล้วแปดวันเจ็ดคืน ลักษณะศพที่เหลืออยู่ก็เหมือนกับอินทราลัมที่ตายทราบครับต่ออินทราลัมที่มันโดนตัดไปเหลือตอแล้วก็ถูกปุดมาทั้งลา่าคือเป็นลักษณะศพที่แบบว่ามันมันไม่เหลืออะไรแล้วครับฟาเฮลตอรอและฮุมินเบร์เกีแล้วเจ้าเห็นล่องรอยอะไรเขาลงเหลือบ้างละ่ะเห็นศพลงเหลือไหมตอนนี้ไม่เห็นลงเหลือแล้วเห็นแค่ที่พักให้เป็น อุทาหรณ์เตือนสติให้กับผู้ศรัทธาทุกคนไม่ใช่ให้เราไปมีความสุขย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเอัฟราอนุวมันกอบลวัลมุตฟิตุบิลาตอเช่นเดียวกันครับฟิราอนมาฟาโรก็มาแล้วคนก่อนหน้าพวกฟาโรเนี่ยคนชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็วัลมุตเตฟิกัมุตฟิกก็คือกลุ่มของนบีลุตมารินสอ่ซดุมคุนซดุมนั่นเองก็ทำความผิดเหมือนกันเนี่ยก็ทำความผิดพลาดอีก ว่าชาว رسول ของพระบิดม์ฝากัคดาหุมักดาตะวิรรับีอะเขาก็ได้ฝ่าฝืนสัสนาทุดแล้วเขาก็ได้ถูกทำลายอักษรตังรับีอะอย่างรุนแรงอินนัลมาตะฟัลมาอูฮามันนาตูฟิลเจรยียเพราะว่าบอกว่าไงครับเมื่อเราได้น้ำน้ำมันขึ้นสูงขึ้นมาให้น้ำขึ้นสูงขึ้นมาท่วมทน้นภูเขาเพวกเราพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึง ตอนเหตุการณ์น้าท่วมโลกที่บอกว่ า, วากลุ่มมนุษเซียชาเนี่ยก็ได้เกิดความชั่วร้ายแบบเต็มหน้าพื้นไปดินช่นเดียวกันแล้วพวกเราก็ได้ล้างบางไปทั้งหมดด้วยกับน้ําน้ําที่ใฉ่เลยไม่ได้อะไรที่มันดูอลังการด้วยวางอลังการส่วนใหญ่โดนลมมนุษยชาติแทบจะทั้งหมดในยุคก่อนที่เป็นคนชั่วเจอน้ําแล้วพวกเรากไงครับแล้วเราก็ได้ให้พวกเจ้ารอดอยู่บนเรือที่ลากครับ وَأَئِهَا أ ُ و ْ ل ُ و َ ا ه ِ ي َ ة ل َ و ْ ل َ و ا ل ح َ م ْ د ل َِّ ه َ ا ل ْ ع َ ا ل َ ي ن خ َ ا ل ْ س َ م ْ د ُ ل ف ل َّ ه ِ رَبِّ ا ل ْ ق َ ا ل َ م ِ ن َ و ا ل ح َْ د ُ ل ِ و َّ ه ِ ر َ ب ِ ا ل ْ ع َ ا ل م ِ و ا ل ْ ح َ م ْ د ُ ل ِ ل َ ه الْعَالَمِينَ و َ ا ل ْ ح َ د ُ ل َّ ه ِ ر َ ب ّ ا ل و َ ا ل َ م ِ ي َ و َ ا ْ ح َ م ْ د ِ ل َّ ر َِ ا ل َْ ا ل ي و َ ا ْ ح َ م ْ د ُ ل َِّ ه َ ا ل َ ا َ ي ن َ เยาวมะอีดินตัวรอดูน่าละทักฟามินกุมคาฟยเราจะไปดามินได้หรครับก็ในข้อหมายพี่น้องสามารถไปดูต่อได้ในสุระอัลวาเกียขอความครับผมสุรกครับผมซึ่งพวกเราก็ได้บอกว่านัแหละทั้งหมดพวกเราก็เลยจัดการและถึงเวลาพวกเราก็ใช้เพียงการเป่าเพียงครั้งเดียวที่เราทราบที่ผ่านมาลงโทษทั้งมนุษย์เ้ือทั้งหมดหนาม กุ่มชนที่คิดว่าเต็งเจ๋งอลมแล้วหลังจากนั้นครับการทำลายล้างทั้งเองกภพใช้เป็นเพียงการเป่าเป่าซูด์เป่าแค่ครั้งเดียวด้วยเป่าของเดีอนทุกอย่างแหลกสลายหมดจะเป็นความน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนแล้วก็ฟืน้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อเจอกับสภาพที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า พอพวกเราคุ้อพวกเราให้รับผลจากการเป็นกลุ่มชนที่ดื้อดึงกลุ่มชนที่โง่เขากลุ่มชนที่แต่แบงครับพวกเราได้กล่าวต่อครับในสุรละวัลฟัจกลับมาในสุรละวัลฟัจหยังจากที่เราบอกว่าว่าฟิร์โอนที่เล่าตัดอัลลีนับอฟินบิลัดฉันเดียวกับฟิร์โอนที่เป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้างที่เป็นแหลมยอดสูงชนุษ อัลลอี น, นัดเขาฟิลบิลบัดบรรดาผู้ที่เขาดื้อดูฝ่าฝืนทําสิ่งที่ชั่วร้ายบนผืนแผ่นดินฟิลบิลาัดตามเมืองต่างๆฝ้าอักซาลูฟีฮัลฟะเซตแล้วพวกเขาส่วนมากที่พวกเขาทําก็คือความเสียหายบนหน้าผืนแผ่นดินเขาคิดว่าเขาทําดีแต่ที่เขาทํานั้นเป็นความชั่วร้ายเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันครับผมเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเรื่องของ ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นหลักๆเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษยชาติประเด็นพี่น้องที่รักยิ่งครับในการศึกษากลุ่มชนก่อนหน้าเราในการดูถึงความยิ่งใหญ่ของกลุ่มชนก่อนหน้าเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรู้สึกยิ่งยโสกับสิ่งที่เรามีหรือมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแต่มันควรเป็นสิ่งที่มันได้เตือนสติเราเพราะพลอกล่าวต่อไวครับ ฟัสซอบบาอ้ายฮิมรับรกตอาบหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นทำความชั่วร้ายทำความเสียหายบานผื้นแผ่นดินอย่างมากมายแล้วผู้อยู่บ้านของเจ้าเจ้าของของเจ้านายของพวกเจ้าก็ได้เทมาให้กับพวกเขาซึ่งแท้แห่งการลงโทษเพราะใช่คาว่าเทไปว่ากระ น, นำพี่น้องเทกระนาแท้แห่งการลงโทษก็มีาการลงโทษที่มันมันไม่ธรรมดา มันไม่ใช่การลงโทษที่เราควรจะรู้สึกมีความสุขไปกับมันนะครับอันนี้ก็ข อ, อนะเยซูพี่น้องที่ผมรักอีกครั้งนะครับผมกลุ่มชนก่อนหน้าเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากกว่าเราเขามีอะไรมากกว่าเราเหมือนกับที่เราตนเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราอยากได้อะไรมากมายแล้วเราก็คิดว่าเรามีอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพี่น้องสําหรับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่อะไรที่มากมายอย่างนั้นเลย เราได้มาในสิ่งที่มันจะจากเราไปเรามีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมันก็มีเพียงสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ตัดสินเราด้วยต่อให้คนทั้งโลกมองว่าเราดีถ้าสำหรับอัลลอ์เราไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ใช่คนดีแค่นั้นจริงๆแต่ถ้าคนสุดเลมองว่าเราเป็นคนชั่วไไหนเป็นคนเลวเป็นคนโกหกถ้าเรามองว่าเราเป็นคนดีมันก็จบแค่นั้นจริงๆ เพ่พี่น้องที่รักยิ่งครับหวังว่าในสุราบรัลฟัสเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องที่รักยิ่งได้เตือนสตินะครับได้ระวังตัวมาเติมปะสินีจักอยาบีบนะนะอันเปนธรรั้งนมุชิดติมประสิทธจาาักตปฏิยาบีบนะหัวอาราจุนจะเสยหรอ ครพี่น้องครับในส่วนของทัพซีดนะครับอาจจะพูดคุยกันสั้นๆแต่เพียงแค่นี้หวังว่าจะได้ข้อคิดได้ข้อเตือนสตินะครับทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักนะครับแล้วก็ชา a ล้อครับช่วงต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของช่วงดวงาบ้านมุสลิมกันต่อชาวล้อครับอัลกุลกัลลีฮะดะบัสคุลลอฮ์ฮะลาลุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินคุลินัสคุลอิลูวะกัฟูลอัลฮิมสุบาร์กับนามัยฮัมดิกะอัชฮัดวะลัยดะลาันตะสักกะอัตบุบิไลซุลามัย